ปุจฉาวาระว่าด้วยวาระแห่งการถามอธิบายสมถะ3 4 9สติวินัยมีในที่ใดสำมุขาวินัยมีในที่นั้นสำมุขาวินัยมีในที่ใดสติวินัยมีในที่นั้นอมูระหาวินัยมีในที่ใดสำมุขาวินัย มีในที่นั้นสำมุขาวิไนมีในที่ใดอมุระหาวิไนมีในที่นั้นปฏิญญาตะการณะมีในที่ใดสำมุขาวิไนมีในที่นั้นสำมุขาวิไนมีในที่ใดปฏิญญาตะการณะมีในที่นั้นเยภุยาสิกามีในที่ใดสำมุขาวิไนมีในที่นั้น ส studios, ah ah, ah ah, ัมมุขาวิน ah, ah ัยม um ีในที่ใดเยผุยสิกามีในที่นั้นตัดสปาปิยสิกามีในที่ใดสัมมุขาวิันมีในที่นั้นสัมมุขาวิันมีในที่ใดตัดสปาปิยสิกามีในที่นั้นตินวัฏฐาระกะมีในที่ใดสัมมุขาวิันมีในที่นั้น สามุขาวินัยมีในที่ใดตินวัฏฐากะมีในที่นั้น